หมกมุ่นถึงรูปใดก็ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าครุ่นคิดถึงเวทนาถ้าครุ่นคิดถึงสัญญาถ้าครุ่นคิดถึงสังขารถ้าครุ่นคิดถึงวิญญาณก็หมกมุ่นถึงวิญญาณนั้นหมกมุ่นถึงวิญญาณใดก็ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูปก็ไม่หมกมุ่นถึงรูปนั้นไม่หมกมุ่นถึงรูปใดก็ไม่ถึงการนับเข้ากับรูปนั้น ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงเวทนาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสังขารถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณก็ไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณ น, นั้นไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณใดก็ไม่ถึงการนับเข้ากับวิญญาณ น, นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระพาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิจารได้อย่างนี้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 หมกมุ่นถึงวิญญาณใดก็ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นภิกษุถ้าบุคคลไม่คลุนคิดถึงรูปก็ไม่หมกมุ่นถึงรูปนั้นไม่หมกมุ่นถึงรูปใดก็ไม่ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าไม่คลุนคิดถึงเวทนาถ้าไม่คลุนคิดถึงสัญญาถ้าไม่คลุนคิดถึงสังขารถ้าไม่คลุนคิดถึงวิญญาณก็ไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณนั้นไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณใด ก็ไม่ถึงการนับเข้ากับวิญญาณ น, นั้นภิกษุเธอพึงเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้และถึงอันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายทุติยะอัญญะตะพิขุสูตรที่สี่จบ ว่าด้วยพระอานนท์เรื่องเกิดขึ้นยีกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกร้งนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านอานนท์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏ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 ความแปรแปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอา ย, ยุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งรูปปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปปรากฏเมื่อรูปตั้งอยู่ความแปรปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณปรากฏ เมื่อวิ ญ, ญญาณตั้งอยู่ความแปรปรากฏความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปรปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ดีละดีละอานนนความเกิดขึ้นแห่งรูปปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปปรากฏ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 เมื่อถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้อานันทสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนสูตรที่สองเรื่มเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถี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 เมื่อทำเหล่าไหนาตั้งอยู่ความแปรปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรูปใดล่วงไปดับไปแปรพันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้ว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 ความเสื่อมไปแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏแล้วเมื่อสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้ววิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้ว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 ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ดีละดีละอานน์รูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วเวทนาใดสัญญาใดสังขารเหล่าใดวิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วอานนท์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วอานนท์รูปใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏ ความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นจกปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นจกปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปรจกปรากฏเวทนาใดสัญญาใดสังขารเหล่าใดวิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นจกปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นจกปรากฏเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปรจกปรากฏ อานุ์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้จะปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้จกปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปรจกปรากฏอานุ์รูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วละถึง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 เธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ทุติยาอนันทสูตรที่หจบเจ็ดอนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม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 ๙ตติยะอนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสมสูตรที่สเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร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 สิทตุทตาอนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสมสูตรที่สเรื่องเกิดขึ้นที่คลุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรเกียธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร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 รวมพระสูตรที่มินิวั์นี้คือ 1. นัตุมหากะสูตร 2. ทุติยานาตุมหากสูตร 3. อัญญตระพิขุสูตร 4. ทุติยอัญญตระพิขุสูตร 5. อานันทสูตร 6. ทุติยานันทสูตร 7. อนุธรรมสูตร 8. ทุติย อ, อนุธรรมสูตร 9. ตาติยะอนุธรม ร, ธธรมสูตร 10. จะตุถาอนุธรรมสูตร 5. อัตต่ปวักหมวดว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะ 1. อัตติปสูตร ว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เธอทั้งหลายผู้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งควรพิจารณาถึงกำเนิดว่าโซกะความเศร้าโศกปริเทวะความครื่มครวญทุกข์ความทุกข์กายทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความรับแค้นใจเกิดขึ้นอย่างไรมีอะไรเป็นแดนเกิดโศกะปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปาญาตเกิดขึ้นอย่างไรมีอะไรเป็นแดนเกิดคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตว์บุตรไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุตรไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตว์บุตพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตราว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปรูปของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะทุกข์โทมานต์และอุปายาจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนา พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาเวทนาของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนต์และอุบายาจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาและถึงพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณวิญญาณของเขาแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปลผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรู้ว่ารูปไม่เที่ยงแปรผันไปคลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและรูปทั้งปวงในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาก็จะละโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งก็อยู่เป็นสุข ภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับกิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้นก็เมื่อภิกษุรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงแปรผันไปคลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาในการก่อนและเวทนาทั้งปวงในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาก็จะละโสกะปริเทวะทุกข์ โมนัสและอุปายาได้เพราะละโศกเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งก็อยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับกิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้นก็เมื่อภิกษุรู้ว่าสัญญาไม่เที่ยงละถึงก็เมื่อภิกษุรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงแปรผันไปคลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า สังขารใ น, นการก่อนและสังขารทั้งปวงในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลผันเป็นธรรมดาก็จะละโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปาญาตได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งก็อยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับกิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้น ก็เมื่อภิกษุรู้ว่าวิญญาณไม่เที่ยงแปรผันไปคลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าวิญญาณในการก่อนและวิญญาณทั้งปวงในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาก็จะละโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตได้เพราะละโศกเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับกิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้นอาตตที่ประสูดที่หนึ่งจบสองปฏิ ป, ปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทา เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายสมุทัยเหตุเกิดแห่งสักกายและปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายนิโรธความดับแห่งสักกายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายสมุทัยเป็นอย่างไรคือผุุ้ชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ดับ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 ละถึงพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณนี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายสมุทัย คำว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายสมุทัยดังกล่าวมานี้เราเรียกว่าการพิจารณาเห็นที่ให้ถึงทุกขสมุทัยนี้เป็นใจความในข้อนี้ปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายนิโรธเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยได้เห็นสัตบุรุษ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 ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณนี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายนิโรธคำว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายนิโรธดังกล่าวมานี้เราเรียกว่าการพิจารณาเห็นที่ให้ถึงทุกขนิโรธ นี้เป็นใจความในข้อนี้ปฏิปทาสูตรที่สองจบ 3. อ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถี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 นั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายถ้าจิตของภิกษุคลายกำหนัดจากรูปธาตุก็เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นถ้าจิตของภิกษุคลายกำหนัดจากเวทนาธาตุถ้าจิตของภิกษุคลายกำหนัดจากสัญญาธาตุ ถ้าจิตของภิกษุคลายกำนัดจากสังขารธาตุถ้าจิตของภิกษุคลายกำนัดจากวิญญาณธาตุก็เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้จะสูตรที่สจบ 4. ทุติยั น, นิจจะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงสูตรที่สอง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 การตามเห็นส่วนเบื้องต้นอดีตก็ไม่มีเมื่อการตามเห็นส่วนเบื้องต้นไม่มีการตามเห็นส่วนเบื้องปลายอนาคตก็ไม่มีเมื่อการตามเห็นส่วนเบื้องปลายไม่มีความยึดมั่นอย่างแรงกล้าก็ไม่มีเมื่อความยึดมั่นอย่างแรงกล้าไม่มีจิตก็คลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจิตก็คลายกำหนัดในวิญญาณ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 สมณุปัสสนาสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อพิจารณาก็พิจารณาเห็นตนเป็นไปต่างๆสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดพิจารณาเห็นอุปาทานขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทั้งห้าประการ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 พิจารณาเห็นอัตราว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปสองพิจารณาเห็นเวทนาละถึงสามพิจารณาเห็นสัญญาสี่พิจารณาเห็นสังขาร 5. พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณการพิจารณาเห็นอย่างนี้จัดว่าผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นเมื่อผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นย่อมเกิดอินทรีย์หประการคือ 1. จักขุนสีอินทรีย์คือจักขุปรสสาท 2. โสตินรีอินทรีย์คือโสตะประสาทสาคานินรี อินทรีคือขานประสาทสี่ชีวหินสีอินทรียคือชิวหาประสาท 5. กายอินทรียอินทรียคือกายยประสาทภิกษุทั้งหลายมโนมีอยู่ทำทั้งหลายมีอยู่อวิชช า, าธาตุมีอยู่เมื่อปุตุชนผู้ไม่ได้สดับถูกความสวยอารมณ์ซึ่งเกิดจากอาวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็นบ้างเราเป็นนี้บ้างเราจักเป็นบ้างเราจักไม่เป็นบ้างเราจักมีรูปบ้างเราจักไม่มีรูปบ้างเราจักมีสัญญาบ้างเราจักไม่มีสัญญาบ้างเราจักมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บ้างภิกษุทั้งหลายก็อินทรีย์ห้าประการตั้งอยู่ได้เพราะการพิจารณาเห็นนั้นแล เมื่อเป็นเช่นนี้อริยสาวกผู้ได้สดับก้อนละอวิชาในอินทรีย์เหล่านั้นวิชาจึงเกิดขึ้นเพราะอาวิชาคลายไปเพราะวิชาเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นจึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นบ้างเราเป็นนี้บ้างเราจักเป็นบ้างเราจากไม่เป็นบ้างเราจะมีรูปบ้างเราจะไม่มีรูปบ้าง เราจกมีสัญญาบ้างเราจะไม่มีสัญญาบ้างเราจกมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บ้างสมานุปัสสนาสูตรที่5จบ